ถานังคดสมาธิคดตมัด <c oughs> วาทภาย <c oughs> ตั้งใจให้เป็นพิเศษ <c oughs> เพื่อถวาย <c oughs> เป็นพระราชการะ <c oughs> พระราชกุศล แต่สมเด็จพระปรามินทระมางหาภูมิพลาดุลยเดชที่ผู้มีพระคุณอันประเสริฐนะโมติสะภะกอโตอรหกอโตสมะสมพุทธะนะโมตติสะ พระโตอรหโตตสมมาสัมพุทธัสสะระมุตตสสะพระโกตอรหโตสั ม, มาสัมพุชธัสสะเอกาญโนไอยังพิกวเวยมโกส จางวิสุทติยาโสกะปริเทวะทุกขโทมานัสสางอัตถังขมาติติพระมธจัมเจ้พาพระองค์ทรงจัดว่าทางนี้เป็นทางไปอันเอง ไปได้ผู้เดียวไปในที่แห่งเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของเวเนยัสสทั้งหลายเพื่อก้าลวงซึ่งความเศร้าโศกความร้องไห้ความรำไรให้จบ ไปซึ่งทุกข์และโทรมานัดทางนี้เป็นทางอันถูกต้องเป็นธรรมที่จะนาออกจากทุกข์เพราะท่านทั้งหลายมีความทุกข์เศร้าโศกเสียดายร้องโ่มร้องไห้ ในการจากไปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโูดทรงพระคุณอันประเสริฐในพระคุณอนณาพระบาทมีได้เป็นพระมหากษัตย์องค์เดียวในโลกที่ครองราชเยือนยาวนาน เก่งกว่ากระสั์องค์ใดพระองค์ทรงสร้างประโยชน์ให้ประชาชนคนไทยทุกภาคส่วนได้โดยนามประทไทยอันประเสริฐของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระคุณเป็นอเนกอันนั้ น, นทุกคนเศร้าโศกเจ็บใจ การที่จะรับระงรับโศกคือความเศร้าโศกปาลิเทวะความรองให้ทุกขะความทุกขก์ยโทมนัสคือความทุกข์ใจภุ ป, ปายาตความเหดแห้งภายในจิตใจให้ดับไปซึ่งทุก ทั้งปวงนี้ด้วยการเจริญธรรมด้วยการปฏิบัติธรรมเพราะเป็นธรรมอันประเสรศิฐเป็นธรรมเพื่อจะรับทุกขทั้งปวงนั่นคืออะไรนั่นคืออริยมรรคอันประเสรศิฐประกอบด้วยองค์แปดประการ สัมมาทิฏฐิความเหม็นตรงสัมมาคำกปะความรั บ, บริจงสัมมาวาจาความเจรจาจงสัมมากรรมันตะทำการานจงต่อหน้าที่สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพจง ปราจายกมิชายคีพส ม, มาสติตั้งสติไวตรงตั้งมันสั ม, ม, าสมาธิรวมจิตเป็นหนึ่งเดียวเพื่อระงับความเศร้าโศกทั้งปวงพระสัมมาทัมพุทธเจ้าทรงอนุโมทนา ว่าอามิตั้งหลายที่ท่านบดีจากแล้วนั้นดีแล้วแต่ไม่ดียิ่งปฏิบัติบูชาดียิ่งเราตทาคตจึงยอมรับบูชาบันดีท่านทั้งหลายกำลังเจริญจิตตภาวนา เพื่อบูชาพระสมาสาจพ ร, รพุทธเจ้าผู้ประเสริฐทุดในโลกและพระธรรมคำสังสอนของพระองค์ซึ่งเป็นยี่ยวธรรมเป็นนำธรรมที่จะนำออกจากทุกและพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทุกทุ ก, ทกองลวนปฏิบัติ ปฏิบัติจองปฏิบัติธรรมเพื่อจะออกจากทุกข์และปฏิบัติธรรมสมควรแกรร่ทมนี่คือสาวกอันเปิดเิยของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นควรที่ท่านท่าทัา้งหลายจะต้อนรับควรที่จะดำเครื่องสักการะมาบูชาควรควรกราบ ควรไหวควรต่าไหทักษิณนาทานเพราะพระสงฆ์เป็นเรืองนาบุญของชาวบ้านของชาวเมืองของชาวโลกไม่มีบุญอื่นใดที่จะยิ่งกวา่าทั้งสามนี้เป็นรัตนะอันประเสริฐ เป็นที่พึ่งอันอุ ด, ดมอันกระเสริมอันประเสิดไม่มีที่พึ่งอื่นใดที่จะยิ่งกวา่าแล้วถาวายเป็นพระราชกรรระราชกุศลแด่สมเด็จพระปารามนธรรมาภูมิพล อดุญญาเดชบางอาราชซึ่งพระองค์ทรงพระคุณอันยอดเยี่ยมอันประเสริฐซึ่งเป็นที่รักที่เคารพที่สักการะและบูชาของคนไทยทั้งประเทศโอกาสดีของท่านตั้งจิตอธิสถานเพื่อ ให้พระองค์ได้รับส่วนบุนส่วนกุศลจา ก, กจิตตภาวนาในครั้งนี้พระธรรมจัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงตรัสว่า <c oughs> นิสิตติปัลังกังคำว่านิสิตติัาลังกังคือนั่งคู่บัลัง นั่งคัดสมาธิเท้าวขวาวางบนเท่าซายมือขวาวางบนมือซ้ายแล้วตั้งจิตอธิษฐานได้ตรงตามที่พระองค์จัดว่าอุชงกายยังปะนิธาะทุกท่านจงตั้งปณิธา น, านจงตั้งปรารถนาว่าเราจะนั่งกายได้ตรง พอไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวาไม่กลมไม่เลยให้กายตรงให้กายนิ่งกายสงบวาจาสงบนี่คือเศนของทุกท่านศีนสงบกายสงบปล่ า, าพระพุทธเจ้าทรงอนุโมทนาว่าผู้มีศีนเยี่ยมที่สุด ประเสริที่สุดสง้างาที่สุดที่เือตั้งจิตติทิตตานในเบื้องตน้นเพื่อจะบำเพ็ญกุศลในจิตตภาวนาพระธัมบาลพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงจัดว่าที่ขังอัศสันโต คำว่าที่กลางอัตฉริย์ตนคือการตั้งกายนี้ให้ตรงแล้วดำรงสติเชีพ่อหน้าตั้งวายในปัจจุบันทันจิตได้วางจากทุกอย่าง ที่ไม่วางคือลมหายใจที่คลังอัศาะมิติปัญานาติเมื่อหายใจเข้ายาวให้รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวที่คังว่าปัตรสันโต ที่คงปัจจัามิตรไปชานัติเมื่อหายใจออกยาวให้รู้ชัดว่าหายใจออกยาวพระสมารัติพัจเจ้าพระองค์นั้นไม่ให้เรานึกไม่ให้เราคิดไม่ให้เรานับไม่ให้เราบริกรรมเรื่องอื่นว่างให้หมด ที่ไม่ว่างคือลมหายใจเวลาหายใจเข้ายาวให้สติตามระลึกตลอดสายความเคลื่อนไหวของลมหายใจเวลาหายใจเข้าสุดท้องพักลมพักจิตนิดหนึ่งเพื่อให้จิตมีธรมาที่ สมาธิขณะหนึ่งเรียกว่าคานิกะสมาธิคาสมะสมาธิเมื่อพักลมหายใจภายในเมื่อหายใจออกยาวตามรูการเคลื่อนไหวของลมตลอดสายพอทุดลมไม่ต้องพักลมไม่ต้องพักจิตที่ปล่อยใจเข้าให้รู้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 ระงับจากสังขารทั้งหลายคําว่าสังขารคือเครื่องปรุงแต่งระงับกายสังขารให้กายสงบระงับวจีสังขารให้วาจานัยนสงบระงับมโมลูสังขารให้จิตนั่นสงบเจรเดินสมาธิจิต ทุกครั้งเวลาหายใจเข้ายาวจุดควรพักลมพักจิตนิดหนึ่งเวลาหายใจออกยาวจุดไม่ต้องพักนี่คืออานาปาณาสติขั้นที่หนึ่งพระสมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นจะเรียแล้วอานาปานสติ ในคืนที่พระองค์จะทรงบรรลุเป็นพระอรังคันตสมาสัมพุท ธ, ธเจ้าใต้ต้นสีมงหาโพธิ์พระองค์ทรงกำหนดอนาปานสจติสิบหกขั้นแต่ท่านทั้งหลายไม่ต้องจะเรินถึงสิบหกขั้น แทงหายใจเข้ายาวออกยาวท่านตั้งใจว่าเราจะไม่เปลี่ยนให้เข้ายาวออกยาวตนตลดแต่ธรรมดาหรือธรรมชาติของสิ่งทั้งปวงในโลกนี้ต้องเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรที่ยะไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มีอะไรที่จะดำรงคงที่ต้องเกิดแล้วก็เสื่อมหรือทั้งเกิดทั้งเสื่อมเป็นธรรมชาติหรือเป็นธรรมดาแล้วหายใจก็เช่นเดียวกันอนาปานสติลองท่านตั้งจิตอธิษฐานเพราะเราจะหายใจเข้ายาว ออกยาวโดยไม่เปลี่ยนแปลงท่านจะรู้ชัดว่าอะไรอะไรทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมชาติหรือเป็นธรรมดาถ้าเปลี่ยนแปลงจากยาวเป็นสั้นให้ท่านรู้ชัดว่าหายใจนั้นท่านลง พระพุทธองค์ตรัสว่ารักสังวาอัศสั้นโตรักสังอัศสมิติประชานาติให้ท่านรู้ชัดเวลาหายใจเข้าสั้นเกิดความรู้อย่างไรให้ประคองใจ ตั้งใจใกล้จงอย่าไปถามว่าสิ่งที่เกิดนั้นมาจากอะไรเพื่ออะไรและชื่ออะไรเพราะธรรมะที่แท้จริงเป็นปรมัตธรรมไม่มีชื่อไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเก่าพระองค์จึงจัดได้ชัดเข้าไปว่าเกิด <c oughs> <g Innovation> ขึ้นอย่างใดให้พวกเธอรู้อย่างนั้นอย่าได้นึกอย่าได้คิดอย่าได้สงสัยรัตสังว่าปั สัน้นั่นโตรัดสังปัสจัสมิติปรจจานติเมื่อหายใจเข้าสั้นให้รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นต่างกันอย่างไรกับหายใจเข้ายาวอยากออกยาวต่างกัน ก็หายใจเข้ายาวออกยาวจะต้องมีสติระลึกรู้ตลอดสายแต่เวลาหายใจเข้าสั้น อ, อกสั้นท่านไม่ต้องตามเข้าไม่ต้องตามออกเวลาหายใจเข้าสั้นลมกระทบจุดใดให้มีสติสัมปชัญญะในจุดนั้นให้ชัด เวลาหายใจออกลมกระทบจุดใดให้ท่านกําหนดรู้ให้ชัดว่าลมกระทบจุดนั้นเกิดทุกข์ก็ดีเกิดทุกข์ก็ดีดดไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ก็ดีให้กําหนดรู้ให้จรงงพระองค์จรัดว่าตันจะไปะชาณติ เกิดขึ้นด้วยประการใดให้รู้ด้วยประการนั้นเป็นมีด้วยประการใดให้รู้ความเป็นความมีอย่างนั้นคืออะไรเวลาทุกเกิดขึ้นจากปานายใจประคองใจให้ตรงทุกพระพุทธองค์ตรัสว่า ประคองใจให้จงทุกนั้นอย่างเดียวจิตตั้งปคกั น, นาติปทะาติประคองจิตตั้งวายให้จงถ้าเกิดทุกขก็รู้ชัดไปในทุกขเพราะทุกตัวนอกยังเป็นอุปท า, านจะรอนวิปัสสนา ต้องการที่จะละอุปท า, านเือทุกที่เป็นอุปท า, านก็ควรกําหนดรู้ mm hmm. เกิดทุกข์ขึ้นมาก็ประคองใจให้จงทุกข์เพราะทุกขตัวนอกยังเป็นอุปท า, านให้เห็นหน่อยหน่อยหน่อยสิ่งนั้นไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข ก็ประคองใจให้ตรงว่าไม่ใช่ทุกไม่ใช่ทุกทนจิตใจให้ตรงนแน่ๆให้มีสติมีสัมปชัญญะให้ ต, งตรงต่อสภาวะที่เกิดขึ้นอย่าสงสัยอย่าดีใจอย่าเสียใจ พระองค์ตรัสว่าพวกเธอเพิ่งทำลายความยินดีความยินรายในโลกให้พินาศไปนี่คือสติสัมปชัญญะทำโลกให้ว่างเพราะเรื่องของโลกมีเพียงสองอย่าง คือยินดีและยินรอยยินดีเรื่องอะไรยินดีในลาบยศสรรเสริญและความสุขยินรอยเมื่อเสื่อมลาบเสื่อมยศถูกดินทาและมีความทุกข์ในเรื่องของโลก ทุกๆท่ทานหยุดโลกให้ได้ผลกุศนจะแพร่ไปมาหาศารโดยเมื่อท่านมีสติสัมปชัญญะแต่แล้วไปทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางแพร่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกหมรลไม่มีประมาณถ้ามาที่จิตนี้เป็นพลังของโลก เป็นพลังของจั ก, กรวาลบนกุศนแผ่ไปทั่วจั ก, กรวาลแม้ดวงวิญญาณของพระพุทธองค์จะทรงดำรงอยู่ณนะสถานที่ใดจิตตภาวานาของท่านก็แผ่ไปถึงพระองค์ไม่เหมือนกับการให้ทานให้ทานบางครั้งก็ไม่ถึง ถ้าพระองค์ทรงไปอุปบัติในสวงสวรรค์่านของเราก็ไม่สามารถที่จะตามไปถึงเพราะพระองค์ทรงจะเวยทิพยปร ะ, ยะสมบัติแล้วฉันั้นเพราะฉะนั้นจิตตภาวนานี่ยิ่งใหญ่ท่านทำใจไห้สงบโดยการหายใจเข้าสั้นออกสั้น เอกประการหนึ่งพระองค์ทรงตรัสว่าสภกายปาปฏิสังเวทีอัศศิตสามีติจักติเธอยอมศึกษาว่าเราจะกำหนดกายทั้งปวง หายใจเข้าสกายะปฏิสังเวทีปัจจิตสมาติติสติเธอพึง ป, ปฏิบัติว่าเราจะรู้กายทั้งปวงกายทั้งหมดหายใจออกประเสริฐที่สุด อาาปานสติจะพาท่านไปรู้กายทั้งปวงกายทั้งหมดทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ไม่สามารถที่จะรู้กายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรม ต้องรู้กายในกายเช่นก่อนว่ากายในกายคืออะไรหรือพูดอ่ายๆว่ากายนอกกายในอะไรเป็นกายนอกอะไรเป็นกายในกายนอกนี่คือกายที่ถูกสมมุติว่ากายของคนนั้นกายของคนนี้กายนั้นสวยหรือไม่สวย เป็นกายโนกประกอบไปด้วยธาตุทั้งสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมที่เราเจำกันได้ว่าสี่ธาตุประกอบเข้าเป็นกายแต่ถ้าเราจะโดนสติปัฏฐานสี่ เพื่อจิตตะภาวานาเมื่อเราหายใจเข้าหายใจออกลมนี้ก็จะทะลุทะลวงไปทุกทุกสว่วนและไปตามลาดับของกายทั้งปวงเพื่ออะไรบ้างผมผลและควันหนัง เนื้อเอ็นกระดูกเยื่อหนอยกระดูกม้ามหัวใจตับทังเปิดไตปอดไส้หนอยไส้ใหญ่ตางานใหม่อางานเก่าพร้อมด้วยกระโหลกนสมองยี่สิบประการที่คือ ที่เป็นธาตุดินที่เข้นแข็งไม่สุดปีใสก็จะไม่ยกไม่คลอนที่มีในร่างกายกรนีเราจะรู้เห็นด้วยการเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามความเป็นจริงไปตามลำดับไม่ข้ามขั้นตอนส่วนธาตุน้มที่อืบอาบึ่งทราบ แล้วไม่ไม่สุดปีใสก็จะไหลไปในทางต่ำที่เมริยไก่นี้ชั้นดลีสะสเลกหนองเลือดน้ำมันคน <c oughs> ดีสเลตหนองเลือดแปลงมันน้ำเหลืองน้ำมูกน้ำมันไ ข, ข่ขอดและมูด 1ิสองประการนี่เป็นธาตุน้ำ่วนไฟที่ยังกายให้ให้อบอุ่นไฟยังกายให้เราร้อนไฟยังกายให้สุม่มทมไฟที่เผาอาหารให้ย่อยอีกสี่กองชวนธาตุลมที่หมุนไปมาและพัดไปพัดมาตามธรรมชาติ ที่มีในกายคือลมขึ้นเบื้องบนลมลงเบื้องต่ำลมในท้องลมในลำไส้ลมพัดไปทั่วร่างกายและลมหายใจสติสัมปชัญญะจะเดินไปทุกทุกส่วนนี่คือกายทั้งปวงโครงสร้างของร่างกาย ที่มีอยู่เป็นประจาแล้วต่อไปจะเห็นเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาที่คือกายนอกกายคงธาตุตายของกายคงต น, นาอุปผาทานกายที่เกิดแล้วจะต้องจะแตกจะตายจะผุพังเป็นรังนนทนี่คือกายนก โ่ากายทั้งปวงเนี่ยคงจะพระองค์งหมายถึงกายหน่อยพระองค์ตรัสว่าอัตถ ส, สันโตอัต ส, สามิติปชาญาติถึงพิจารณากายในกายเป็นภายในบ้าง ภัณฑิตถาวะกายะกายานนปเทสีกรติพิจารณากายในกายเป็นภายนอกบ้างอัชฉติภัณฑิตถาวะกายะกายาโนปเทสีกรติพิจารณาเห็นกายในกาย ทางภายในยทางภายนอกบ้างที่แยกกายออกเป็นสามส่วนคือส่วนสามที่พระสมัมมาทัจเจ้าตรงสแสดงวายในมังหาสติปัฏฐานสูตรกายที่จะเป็นวิปัฒนาอย่างไรพระองค์ตรงจัดว่าจมุทยะธรรมานุ เี่ว่ากายจะมิงวิงราติดิจรนาให้เห็นเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นเป็นภายในบ้างนี่คือเหตุของกายที่มาของกายหรือสมุทัยของกายคําว่า ส, า ม, าสามุทัยคือสมุทัย สมุทัยนี่คือเหตุเหตุของกายคือความเกิดขึ้นของรูปของนามความเกิดขึ้นของรูปของนามเป็นภายในในฐานกายมีรูปขันเยินให้ยานรู้ให้ยานเด่นรูปขันไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตน ไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนไม่มีโราไม่มีผู้อื่นเป็นยังไงรูปขันเป็นอนิจจังคือรูปขันที่ยืนในยานโรยานเห็นเป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข สิ่งใดไม่เทียงเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาในรูปเดียวในนามเดียวกันไม่ใช่สามรูปสามนามอย่างที่พระองค์ว่าเกิดญาณสามประการปุปปาทายานคือการเกิดขึ้นทิติยานคือการตั้งอยู่ทั้งขายาน คือการดับไฟเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไฟในรูปเดียวในนามเดียวที่เป็นวิปัตนาที่รูปกันยืนให้ยานรู้ให้ยานเห็นแล้วพระองค์ทรงจัดต่อไปอีกว่าวายะธรรมาลุปัะเิวากายัจามิง ที่ họ ระติบทิศจาให้เห็นความเสื่อมไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่เกิดขึ้นแล้วจะคงที่เกิดแล้วมีความเสื่อมเสื่อมสลายไปทีละน้อยทีละน้อยเราไม่รู้เหมือนรอยรอยมือในด้ามมี เราไม่รู้ว่าเราจับมังคเสื่อมไปตลอดเวลาคือเหมือนน้ำแข็งสักก้อนหนึ่งเราไปจั้งไว้มังค็เสื่อมเสื่อมสลายไปอยู่อย่างนั้นที่คือรูปนามที่อยู่ในย า, ยานรู้ยาเิ่นประการที่สามสมุทยะปะยาธรรมาโยปจิวะ กายัดตัวมิงหระติพิจารณาให้เห็นทั้งความเกิดทั้งความเสื่อมตอนที่เห็นนั้นผู้ปฏิบัติจะไม่มีอัตตาตัวตนตอนแรกว่าเราจะเริญนสติ เราจะเรินสัมปัญญาเมื่อสติสัมปัญญาเต็มรอบเต็มบริบูรณ์จะไม่มีเราตัวตัวตัวสัมปัญญาเกิดเป็นยานตัวสติเป็นกิริยาที่พระองค์จรัสว่า ยาวะเทวะยานมัตตยมียานแต่สักวารูปปัติสติมัตยาไม่สติแต่สักว่าอาใยระลึกเราว่างจากตัวตนเมื่ออบปาทานดับ ฉันอุปท า, านของรูปกดับอุปท า, านของเวทนาก็ดับอุปท า, านของสัญญาก็ดับอุปท า, านของสังขากรก็ดับอุปท า, านของวิญญาณก็ดับเจ้งเป็นรูปังอนิจจังเป็นว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาอานิจจา เวทนาก็ไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาความจำไรายจำได้ไม่รู้ก็ไม่เที่ยงสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงวิญญาณอนิจจ์แม่วิญญาณธาตุที่รู้พิเศษก็ไม่เที่ยง เที่งใดไม่เที่ยงจริงนั่นเป็นทุกข์รูปังทุกขังรูปเป็นทุกข์เวทนาทุกข์ก็แม่เวทนาก็เป็นทุกข์สัญญาทุกข์ก็สั่งการก็เป็นทุกข์วิญญาณังทุกขังแม่วิญญาณก็เป็นทุกข์เที่งใดเป็นทุกข์เที่ยงนั่นเป็นอนัตตา โลปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาก็ไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาความจำลายไม่รู้ก็ไม่ใช่ตัวตนสังขาราอนัตตา สั้งขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนุตตาแม่วิญญาณก็ไม่ใช่ตัวตนนี่คือพิปัจนาพิปัจนาจะต้องเห็นรูปรามโดยประการต่างๆเป็นพิเศษและพิเศษอย่างอี พระพุทธองค์ตรัสว่าอธิกายติวาปะนัสสะสติปัจจุปติตาหุติหรือสติตั้งวายเฉพาะปัจจุบันตั้งวายเฉพาะหน้าแก่เธอนันนอานิสิโตจะวิารารติ เธอจะไม่เข้าไปหยุดถือเธอจะไม่เข้าไปหยุดกิดนะจะกินจิโลกเกออบปาทิยาติพวกเธอจะไม่หยุดถือสิ่งใดๆทั้งปวงในโลกเตวังโคพิกเว กายกายานุปัสสีภิรษุพระพุทธองค์จัดเก่ภิกษุทั้งหลายว่าดังนี้และภิกษุเชื่อว่าเห็นกายในกายนี่คือกายานุปัสสนาคอยท่านทั้งหลายพิจารณาให้ ด, ดีเพราะการเจริญจิตต ภ, ภาวนานี เป็นกุศลมงหากุศลที่เยี่ยมที่สุดท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติจิตตะภาวนาในวันนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระราชการะแใ่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระประมินทรมางค์ภูมิพลอดุลยเดชที่พระองค์ทรงเจวันเนคไปครบทิวันในวันนี้ด้วยถวายเป็นกุศลพระราชการะแด่พระองค์เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกะต่อเวที ด้วยการปฏิปธรรมอันประเสริฐที่สุดเพื่อถวายเป็นพระราชกระพระราชกุศลในวันนี้อาตมาภาพก็ ข, ขออนุโทนาในจิตตะภาวนาที่ทุกท่านตั้งใจดีเป็นพิเศษเพื่อบูชาคุณของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทึ่ทรงพระคุณอันประเสริฐหาประมาณไม่ได้เป็นพระมหากษัตริย์มีแต่ให้ทุกๆอย่างแก่ประชาชนคนไทยเมื่อพระองค์ทรงสเสด็จสวรรคตไปก็ยังความเสียใจเศร้าโศกอลไย จะลึกถึงประคุณของพระองค์อานาประมาณม่ได้จึงขออนยโมทนาขอให้จิตตภาวนาในครั้งนี้เป็นมหากุศลเป็นมหามงคลเป็นมหาสิริแก่ท่านทั้งหลายด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิดุูชา ในกุศลและเจตนาของท่านทั้งหลายที่ถวายทานทานบารมีที่เป็นบารมีในเบื้องตน้นที่ทุกคนควรบำเพ็ญทานบารมีนี้ถ้าให้ดีให้เป็นอุป ป, รปารมี และปารามัตตารรมีเพราะปารามีอืน่นใดที่จะทําเลที่จะสะดวกที่จะสบายยังประโยชน์ให้ถึงปารามีูงุดเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ที่ทรงบำเพ็ญปารามี ก็พิจารณาว่าอะไรเป็นการกธรรมที่จะทำบา ร, รมีให้สำเร็จเป็นพระสมมาสมโพธิญาณ้าเห็นว่าทานบา ร, รมีเป็นเบื้องต้นเป็นพื้นฐานที่จะสร้างบา ร, รมีอย่างอื่นให้สะดวกแล้วถึงที่สุดพระองค์ก็ทรงบำเพ็ญทานบา ร, รมี และเมื่อําเน็ตเป็นพระสมมาัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ส่งจดว่าสปุริโสทานังเกิดเป็นคนควรให้ทานเพราะการให้เป็นความดีการให้เป็นเครื่องสร้างความรักซึ่งกันและกันการให้ จะสร้างความสามัคคีให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่าว่าจะให้บุคคลเลยแม่ให้ทานแกสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานก็รักรู้คนของผู้ง่ายไม่ว่าสัตว์นั้นจะดูไร้สักเพียงใดถ้าเราให้ทานเขาเป็นประจำสัตว์เจ้านั้นเขาจะเชื่องเขาจะรักเจ้าของ ไม่เป็นอันตรายแก่เจ้าของแล้วเกิดความรักันโดยคนไทยที่จะสามัคคีซึ่งกันและกันต้องมีการให้ต้องมีการแบ่งปันช่วยเอือเ้อเผื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันจึงจะเกิดความรักเกินความสามัคคีเป็นหนึ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในปัจจุบันนี้คนก็เริ่มรักสา ม, มัคคีด้วยบรารมีของพระบาทอมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ทรงสร้างความดีจึงรวมจากหลายๆลายสีมาเป็นเพียงทงถี่เป็นสีดำกับสี่ขาวลมเลือกถีแ่แดงถีอเหลืองมาเป็นสา ม, มัคคีซึ่งกันและกัน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอัตมาภาพก็ขอข อ, อบุทนาขอมีความสามัคคีอย่างนี้ไปตลอดแล้วการทร้างทานบา ร, รมีนั้นเป็นการทร้างฐานะบุคคลที่จะร่ำจะรวยในปัจจุบันนี้เรื่องในอดีตแม่ใต่ในอนาคต ลวนแล้วแต่สร้างทานบารมีทางนั้นเขาก็วางให้ทานเหมือนการสร้างที่ดินรักษาศีลเหมือนมีเรือนามภาวนาเป็นผู้ฉลาดเป็นเจ้าของแผ่นดินเป็นเจ้าของเรือนามแม้จะเป็นพระราชาพระมังกรกษัตริย์หรือพระเจ้าจักรพรรด ล้วนแล้วแต่สร้างทานบา ร, รมีทั้งนั้นจึงมาเป็นผู้ครองประเทศชาติที่อำนาจเป็นวาสนาที่ก็พราะทานบา ร, รมีเพราะผู้วางเป็นทานบา ร, รมีจะองค์อาจยิ่งใหญ่เข้าในธสมาคมใดก็ไม่กุกกุยไม่เก้อเขินสร้างหาเจริญเป็นที่รัก ที่เคารพของบุคคลทั้งปวงเพราะฉะนั้นจงให้ทานบา ร, รมีเถิดทิ่งที่ยังไม่ง่ายอาเป็นเช่นนั้นไม่อาจจะมีไผ่โจรภไย่ักทีไผ่วาตะไผุ่ทกกะไผหรือแม้แต่เป็นราชาไผ่ก็จะถูกคิดสมบัติสินไปเพราะฉะนั้นให้ทานเป็นความดี เป็นการสร้างความมั่งมีจะเป็นเศรษฐีฝางาเศรษฐีหรือเป็นคนมั่งมีทรัพย์สมบัติรวนแล้วแต่บำเพ็ญทานบรารมีทานบรารมีที่จะประเสริฐยิ่งใหญ่ประกอบไปด้วยเจตนาแห่งใจทั้งสามการคือเบื้องต้นยำรจิตใจให้เป็นบุญให้เป็นกุศล ปราถนาจากความตันหาปราถนาจากความโลภยินดีในกาไนที่เป็นปุพเพบา ร, รมีที่เป็นที่รวมของบุญของขุนศนไม่มีประมาณประการที่สงเวลาให้ข้อให้ด้วยความเคารพเคารพโดยทานที่ง่ายเคารพโดยผู้รับ จะทาไม่เกิดความอิ่ม อ, อกอิ่มใจเกิดปีติปราโมดบุญกุศลนั้นจะเป็นอ น, อนาคามินีอนุคามินีเพื่อติดตามท่านไปทุกคนทุกแห่งทุกพบทุกชาติเพื่อให้เกิดความสะดวกให้เกิดความสบายให้เกิดประโยชน์และความสุขทุกการทุกสมัย นี่เป็นบุญเจนะเจตนาใหม่ที่พองใส่บริสุทธิ์เป็นที่รวมของบุญของกุศลหาประมาณไม่ได้แระการที่สามเวลาท่านถวายเพื่อถวายแล้วจิตใจจะพองแผ้วองค์อาจคล้างหารร่าเริงกินดีในทานบารมี ที่กระทำวายดีแล้วในพระพุทธศาสนาเพื่ออุปสม ำ, ำจุนพระบวรพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองวัฒนาตาวนสืบสืบไปสร้งอย่างได้เป็นปัจจัยอุ ป, ปการะแก่พระสงค์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบ พ, พระธรรมท่านพุทธเจ้าพระองค์นั้น ส่งจัดว่าห้วงน้ำที่เต็มย่อมยังมงหาสมุตสาครให้เต็มเปี่ยมได้ฉันใดผู้บดีจากทานประกอบไปด้วยเจตนาแห่งใจทั้งสามการย่อมเต็มเปี่ยมไปด้วยบุญด้วยกุศลฉันนั้นเพราะฉะันั้นขอยทุกท่านจองปราถนาจองดำริ ขอความปรารถนาความดำ่บิของทุกท่านจงเต็มรอจงเต็มบริบูรณ์จงเต็มเปี่ยมไพ่บุญประดุจดังดวงจันทร์ที่เต็มดวงในวันเพ็ญคอยทุกท่านมีกายวายจาและจิตใจสงบเย็นบริสุดดุด แก้วมณีของพระเจ้าจักรพัรดที่เกิดด้วยปัญญาธิการทานบา ร, รมีในครั้งนี้ขอความปรารถนาความดามิของทุกท่านจงเต็มโรคจงเต็ ม, รตมบริบูรณ์จงเต็มเปี่ยมไปโบนตลอดไปโอกาสนี้อัตมาภาพจะได้ตั้งเมตตาจิต เพื่อประสิทธิ์ประสานจะตูเราพิทพรนใจทั้งสี่ประการให้ทุกท่านมีอายุวันนะสุขขอภาละคอยทุกท่านมีอายุยั่งยืนคอยทุกท่าน มีผิวพัร์สวยหามให้ทุกท่านมีความทุกมากปรารถนาถึงหนึ่งประการใดที่เป็นไปโดยธรรมชอบธรรมถูกต้องตามธรรมและสมควรเกตธรรมขอความปรารถนานั้นจงทันสำเร็จทุกประการ โอกาสนี้ขอให้ทุกท่านจ้องยกส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายท่านทั้งหลายผู้มีอุปการะคุณและควรถวายเป็นพระรา ช, ชกุศลพระรา ช, ชาการะแด่สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวประินทร์ธรรมะมหาภูมิพลอดุลยเดชบางอาราชในพระบรมโกศให้ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่ทุกคนได้บำเพ็ญในวันนี้ตลอดถึงสมเด็จพระนางเจ้าที่ริกิัพระบร ม, มราชินีนาถพระลูกยาเธอ พระบรมวงศ์านุวงศ์ทุกทุกพระองค์จนตลอดบูรพะพระมหากษัตริย์แห่งจั ก, กรีวงทุกทุกพระองค์และพระสยามเทวาธิราชที่คุ้มครองปกป้องประเทศชาติให้เป็นเอกราช และมีความทุกขสวัสดีจนถึงปัจจุบันนี้โอกาสอีกคอยทุกท่านจงยก่วนบุญ่วนกุศลให้แก่ทุกคนตลอดถึงค <c oughs> ณะรัฐบาลข้าราชการที่บริหารประเทศชาติ ขอให้ช่วยกันบริหารประเทศชาติให้เป็นไปโดยธรรมเพื่อความเจริญความรุ่งเรืองความก้าวหน้าความพาสุขของคนไทยทั้งประเทศและโอกาสนี้ขอทุกท่านโปรดตั้งกัลยานในจิตเพื่ออุทิศกัลปนาผล โู้ทนที่ร่วมกันบำเพ็ญในวันนี้ไปให้กับปปะกาดิชนปียชนเปยชนจนตลอดทั้งสัพระทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นท่านเหล่าใดวิญญาณดวงใด สัตว์ประเภทใดจนตลอดทึงเกตวีไสโนที่ ย, ทยังไม่ทราบขออาราธนาท่านผู้ทรงศีลสมาธิและปัญญาที่เป็นพระอริยเจ้าจงนำเข้ากุศลผลที่ท่อนทั้งหลายบำเพ็ญในวันนี้ ไปบอกกล่าวเมื่อทราบแล้วจงอนโมทนาด้วยตนเองถือเอาบุญกุศลที่ทุกคนยกง่ายถวายหรืออุทิศในครั้งนี้เป็นสุขคติสุขสมบัติแห่งตนแห่งตนบัติด้โอกาสเจรตนานิมนต์ พระภิกษุรงมานั่งตรงนี้เพื่อเจริญปัตตานุโมทนาใหม่